ขอนอบน้อมดอศสัจธรรมมันมีมาก่อนทุกาศาสนาในโลกขอกราบบูชาพระรัตนตรัยพระเทรานุเถระเพื่อนสะาธรรมิกขอเจริญพรแม่ชีญาติโยมทุกคนครับก็ฟังตามสบายนะไม่ต้องไม่ต้องตั้งใจฟังมากก็ได้นะ ขอให้เน้นให้เรารู้สึกตัวตลอดสิ่งที่ฟังนี้เป็นสิ่งที่มาเสริมสิ่งที่ครูบาอาจารย์ท่านบอกให้เราทําคือให้เรารู้สึกตัวก็อาตมามาคุยวันนี้ก็เพราะว่าอาตมาอมาจารย์ไฟสารท่านบอกว่าอยากให้เล่าประสบการณ์ในช่วงที่เราได้อยู่ดูแลหลวงพ่อเนาะก็จริงๆแล้ว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 หลายคนอาจจะรู้ว่าหลวงพ่อท่านท่านอาพาธแต่ว่าไม่รู้ว่ากิจกรรมอะไรเกิดขึ้นบ้างในกุฏินั้นนะเพราะส่วนใหญ่หลายๆคนก็อาจจะไม่ค่อยได้เข้าไปจะลองเล่าให้ฟังนะว่าเหตุการณ์แต่ละวันเนี่ยมันประมาณไหนปกติแล้วเนี่ยหลวงพ่อหลวงพ่ออาจจะตื่นประมาณตนะีสี่เนาะตีสี่แล้วก็ทีมงานพระสงฆ์เราที่มาดูแลก็จะเริ่มมาตั้งแต่ก่อนนะหน้าที่หลกัหลกๆของอาตมาเนี่ยคืออาตมา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 อาตมามาที่นี่เพราะว่าอาตมามีมีสิ่งที่ค้างคาใจในการปฏิบัติมีคำถามบางอย่างแล้วก็ตั้งใจที่จะมาใช้โอกาสสุดท้ายเผื่อจะมีโอกาสที่จะหาคำตอบมาถึงอาตมาก็มาเองนะมาโดยที่ไม่ได้บอกกล่าวใครผลผันรุบเข้ามาเลยแล้วก็ไปไปหาท่านที่วัดภูเขาทองไปแล้วก็ในช่วงแรกเนี่ย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 แต่ก่อนหน้านั้นอาจจะมามาก็ก็มากราบเรียนอาจารย์ตุ้มอาจารย์โน้ตว่ามผมตั้งใจมาปฏิบัติแต่ว่าในระยะนี้ถ้าอาจารย์มีอะไรให้ผมช่วยผมผมพร้อมจะช่วยพร้อมจะทำอะไรก็ได้อะไรเงี้ยานมาก็เลยได้ได้ช่วยอาจารย์ตุ้มในบางเรื่องนะเรื่องทำยาหลังจากนั้นประมาณห้าวันก็ถึงถึงได้มีโอกาสกราบท่านนะแล้วเรากำลังเลนนิดนหน่อยนะ่อยะว่าเราจะอยู่ที่นี่ยังไงอะไรย่างเงี้ย เพราะก็เข้าใจว่าหลายคนก็คงได้เข้ามาแล้วก็พอมีอยู่วันหนึ่งหลวงพ่อท่านเขียนเขียนถึงอาตมาว่าเออพระรูปนี้ที่เดินไปเดินมาแถวนี้ทุกวันเนี่ยน่าจะมาช่วยดูแลพระป่วยได้นล้จนั้นอาตมาก็เลยค่อยใจชื้นนิดนึงว่าโอเคเราพอจะอยู่ตรงนี้ได้เนาะแล้วเวลาทำงานอันนี้เนี่ยอาตมาก็มองมันว่าเป็นการปฏิบัติเสมอ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 หลวงพ่อท่านอาการดีขึ้นหลังจากกลัมาที่สุกัสโตท่านเริ่มเริ่มนั่งได้เริ่มเขียนอะไรโตตอบกับคนได้เยอะขึ้นอามาก็เคยเขียนเล่าให้ท่านฟังถึงสิ่งที่ที่เป็นและสิ่งที่สงสัยนะเขียนไปเยอะมากนะโยมประมาณหกเจ็ดหน้านะเวลาเขียนอะไรเยอะๆนี่โยมรู้จักโยมหมูทุกคนใช่ไหมโยมหมูก็จะมองอาจามานะว่า ครูบาจะให้หลวงพ่ออ่านหมดหนี้เลยเหรออาดามาก็ไปกราบท่านนะแล้วก็ยื่นให้ท่านแล้วก็บอกว่าถ้าหลวงพ่อมีเวลาว่างๆเมื่อไรหร่หลวงพ่อค่อยอ่านเล่นๆนะครับแล้วถ้าหลวงพ่อมีอะไรแนะนําก็ก็ค่อยเป็นตอนนั้นหลวงพ่อรับเสร็จปั๊บหลวงพ่ออ่านใบแรกนะแล้วหลวงพ่อก็วางแล้วหลวงพ่อก็อ่านตอนนั้นเลยอาดมาก็เห็นท่านอ่านอย่างตั้งใจอยู่พักหนึ่งแล้วอาดมาก็เลย กราบถ้าไอเดีแล้วบอกหลวงพ่อครับอย่าอย่าเพิ่งอ่านเลยเอาไว้เวลาหลวงพ่อว่างๆดีกว่าเพราะว่ามันเยอะผ่านไปประมาณอาทิตย์หนึ่งอัตมาก็ไปเอาคืนมาสุดท้ายเราก็ไม่ได้ถามนะสิ่งที่ตนใจสงสัยจะถามแต่ว่าอัตมาได้คำตอบคืออัตมาสงสัยว่ามันมีจริงๆไหมการไม่เป็นอะไรกับอะไรเนี่ยเราจะเคยได้ยินคำพูดนี้ออกจากปากท่านแล้วก็ท่านก็แสดงให้เห็นตลอดนะ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 ทีก็ออกทางปากมีก็ออกทางท่อเนาะกายก็อ่อนแรงลงไปเรื่อยๆนะส่วนใหญ่หลวงพ่อก็จะนอนนอนประมาณ 95% ้าบ้าปอร์เซนขึ้นไปของวันนะแต่ก็จะมีโยมบางคนก็จะมาบอกโอ้ยเห็นหลวงพ่อในทีวีเห็นในเฟซบุ๊คลงพ่อออกไปเดินหลวงพ่อออกไปทำกิจกรรมได้ซึ่งมันจริงนะแต่มันเป็นช่วงสั้นๆแล้วก็ภาพอันนั้นก็เป็นภาพที่น่าสนใจก็ไปลงในในสื่อ แต่คนก็จะคิดว่าท่านเป็นอย่างนันจริงแล้วส่วนใหญ่ของอริยาบทหลวงพ่อก็คือการนอนแม้แต่นอนหงายก็นอนแทบไม่ได้นะท่านต้องนอนตะแคงเพราะฉะนั้นถ้าเราพูดถึงว่าศักยภาพของชีวิตเนี่ยก็อยู่ในขั้นลำบากนะแต่ศักยภาพของความเป็นคนของท่านมันไม่มีปัญหาเลยนะเท่าที่อาจจะมาอยู่มาตลอดเวลาเนีน่อา จ, จมาพบว่าท่านเป็นคนคนหนึ่งที่นอนเฉย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 ดูแลท่านเนี่ยท่านจะแสดงอาการให้เรารู้ว่ามีความเจ็บเกิดขึ้นกับกายแต่ว่าท่านไม่เคยบวยวายหรือหงุดหงิดหรือฟึดฟัดหรือว่าแสดงอาการให้รู้ว่าโฮย้ยไม่ไหวแล้วหรืออะไรเงี้ยเหมือนที่ใครก็ตามจะเป็นถ้าเกิดเจ็บขนาดเนี้ยท่านแค่แสดงว่าวันนี้เจ็บเจ็บมากจนบางวันทำแผลไม่ได้ก็มีท่านก็แค่บอกว่าวันนี้เจ็บไม่ทำแล้วก็จบไป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 แล้วก็เป็นคนที่รู้ด้วยว่าสุดท้ายของการต่อสู้วันนี้ตายแน่นอน <c oughs> เคยมีโยมมาเยี่ยมมากราบท่านเนาะโดยที่ไม่รู้จักท่านมากนะมาถึงก็มาเขียนถามนะเป็นโยมผู้หญิงนะมาก็อยู่ตรงนั้นเขียนถามว่าหลวงพ่อเป็นยังไงบ้างป่วยเป็นอะไรเหรอแต่น้ำเสียงไม่มีนะมันเป็นการเขีย น, นมาอาจจะใส่เวอร์ไปหน่อย <c oughs> แต่เขียนประมาณนี้หลังจากเขาก็ยิ้มแย้มนะเพราะวันนั้นช่วงนั้นหลวงพ่ออาการค่อนข้างดีคือท่านนั่งได้อรามาเห็นหลวงพ่อยิ้มยิ้มแล้วก็เขียนตอบว่าเป็นมะเร็งตายแน่นอนไม่มีทางหายเขาก็อึ้งนิดนึงนะอืแต่หลวงพ่อก็ทําอย่างนั้นแหละแล้วก็ยิ้มยิ้มเออเท่านี้นะบายๆหรือมีอีกครั้งหนึง่งมีโยมมาจากที่ไหนไม่รู้แหละมากราบ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 คือมันไม่มีปัญหาอะไรกับชีวิตที่จะจบแล้วถ้าเราปฏิบัติไปประมาณหนึ่งเราจะรู้ว่าความเข้าใจว่าชีวิตที่จะจบแปลว่าอะไรเนี่ยสำหรับคนธรรมดากับสำหรับคนที่เดินทางมันไม่เหมือนกันใช่ัหมคนที่เริ่มรู้ก็จะเข้าใจว่าคำว่าชีวิตมันจบเป็นยังไงแต่คนที่ไปไกลกว่า น, นั้นอีกมันก็จะเปลี่ยนไปนะ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 เมื่อมีแรงหลวงพ่อก็ทําสิ่งที่หลวงพ่อคิดว่าคนคนหนึ่งจะทำํำหลายๆครั้งหลวงพ่อพอมีแรงท่านออกมาเดินจงกรมนะออกมาดูกระรอกนี่กิจกรรมหลักๆที่หลวงพ่อชอบมากนะคือมาดูกระรอกที่มาท่านให้อาหารกระรอกไว้ที่หน้ากุติมาลดน้ําต้นไม้อย่างเงี้ยมานั่งอยู่ข้างนอกเฉยๆบางทีก็มีหลวงตากลมมาท่านก็นั่งนั่งชี้โน่นชี้นี่ให้หลวงตากลมดูเอาไม้เกี่ยวๆอะไรบางทีเราก็จะบอกว่า ต้นไม้เนี่ยลดไปแล้วนะแต่เราก็จะแต่หลวงพ่อก็จะไม่สนใจนะท่านก็จะท่านก็จะทำกิจวัตรที่ท่านจะทำและกิจวัตรใหญ่ๆของหลวงพ่ออันหนึ่งก็คือท่านจะเดินทางไปวัดภูเขาทองก็ไม่ได้ไปดูอะไรมากนะท่านก็ไปที่สาราน้ำใสซึ่งยังสร้างไม่เสร็จท่านก็ไปดูว่ามีอะไรที่ควรจะต้องทำอะไรอย่างเงี้ยแล้วบาทีท่านก็ไปนอนที่นั่นเฉยเฉยไม่นอนที่เฉย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 มันไม่ใช่ถนนลูกหลังนะมันเป็นถนนแบบสมบุกสมบันมากนะถนนเส้นเนี้ย <c oughs> เป็นหลุมเป็นบ่อหลวงพ่อก็ไม่ได้สนใจแนละ้วท่านก็ก็คือกิจวัตรที่ท่านคิดจะทําท่านก็ทําแต่ถ้าท่านไม่มีแรงท่านก็พักและบางครั้งหลวงพ่อก็พักสาวันสี่วันห้าวันก็มีแล้วก็พอมีแรงก็ออกวันหนึ่งใช้หมดเกลี้ยงนะแล้วกลับมานอนต่ออีกห้าวันเนี้ยเป็นเรื่องประจํานะแต่ถามว่าหลวงพ่อแสดงอาการให้เห็นไหมว่า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 แต่ในขณะที่ท่านอยู่อย่างนั้นเนี่ยเรารู้สึกว่าท่านทำเยอะกว่าเราอีกอะ่ะแล้วท่านก็ประคองความรู้สึกตัวตลอดเวลาเป็นเรื่องปกตินะเราจะรู้เลยว่าเมื่อไหร่ท่านนอนเมื่อไหร่ท่านเมื่อไหร่ท่านหลับหรือว่าเมื่อไหร่ท่านตื่นในการดูแลหลวงพ่อเนี่ยกิจวัตรตั้งแต่เช้าถึงเย็นเนี่ยมันจะมีมีอะไรต้องทำตลอด แล้วก็มีคนที่ทำอะไรกับหลวงพ่อตลอดนะเช่นบางช่วงก็ต้องถวายน้ำนะบางช่วงก็จะมีท่านเหลาซื้อฟู่มาให้รู้ไหมว่ามีพระจีนท่านเหลาซื้อฟู่มาให้กำลังภายในพลังชี่หลวงพ่อทุกวันวันละหนึ่งชั่วโมงนะหลวงพ่อก็จะนอนแล้วพอท่านให้เสร็จปั๊บท่านก็จะหันมาไหว้ขอบคุณทุกครั้งนะอืมพอตอนเย็นๆสักประมาณบ่ายสามโมงท่านก็จะไปส่งน้าตอนเย็นครั้งหนึ่ง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 ผู้เฝ้าประตูนะหลายๆคนก็จะรู้สึกโไม่ชอบเลยป้าคนนี้ทำไมต้องมาคอยไล่ฉันตลอดเลยเข้าไปนิดเดียวก็ไม่ได้นะไอเสร็จถ้าไปไอข้างในนิดนึงก็จะโดนว่าอย่างหนักเลยยมรู้ไหมว่านี่เป็นสิ่งจำเป็นแล้วก็เป็นสิ่งที่เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้หลวงพ่อไม่ต้องทุกข์มากจนเกินไปนะถ้าคนมาเยี่ยมมากเกินไปบางทีก็ท่านก็เหนื่อยถามว่าทาไมท่านเหนื่อย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 ให้พระอาจารตุ้มท่านเอาเข้าไปอย่างครั้งแรกที่อาจมาเข้าไปถวายยาท่านเนี่ยเวลาถวายยาก็จะใช้เขาเรียกว่าสซลิงนะเหมือนเป็นเข็มฉีดยาใหญ่ๆนะแล้วก็เทหลวงพ่อก็รู้อาจมาไม่เคยทํานะแล้วก็เก้เก๊กลางๆนะพอจะถวายปั๊บท่านบอกเฮ้ยยังเช็ดแอลกอฮอลก่อนอาจารย์มาลืมนีท่านก็บอกนะแล้วท่านก็นั่งยิ้มยิมนอนยิ้มยิมนิดนึงท่านก็ไม่ว่าอะไรนะพออาจามาทําเสร็จปั๊บ กี้กี้งๆนี่นท่านพอเสร็จแล้วท่านก็ยิ้มให้แล้วท่านก็ยกมือไหว้คือเวลาใครมาทําอะไรอย่างเงี้ยท่านก็จะให้กําลังใจเขาครั้งแรกๆอย่าจะมาเคยเปลี่ยนทิ้วหายใจหลวงพ่อเนี่ยซึ่งต้องเปลี่ยนทุกสามชั่วโมงนะโยมทุกสามชั่วโมงต้องเปลี่ยนอีกทีหนึ่งแล้วบางช่วงที่เจ็บคอมากๆนี่มันก็จะเจ็บมากอันมา ก, ก็เคยเปลี่ยนนะครั้งแรก <c oughs> เปลี่ยนให้หลวงพ่อด้วยความเกรงมากๆนะครั้งแรกท่านไม่เจ็บท่านก็ยกนิ้วให้เอ พอคั้งี่สองไปเปลี่ยนเท่านั้นแหละบิดนิดนึงนะหลวงพ่อสะดุ้งเลยนะท่านเจ็บท่านก็ึแต่ท่านก็ไม่ได้ว่าเลยท่านก็เฉยๆอามาก็หันไปมองอาจารย์ตุ้มจะรยุบไม่เป็นไรเอาใหม่อาตมาก็ลองอีกครั้งหนึ่งนะด้วยความเกรงกว่าเดิมปิดอีกทีหลวงพ่อก็อึดอีกทีหนึง่ง <c oughs> ก็เลยหันไปหาอาจารย์ตุ้มว่ายังไงดีอาจารย์ตุ้มเปลี่ยนมือดีกว่าครับให้อาจารย์ทําเถอะหลวงพ่อก็นอนเฉยๆท่านก็ไม่ว่าอะไรเลยนะ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 คาดหวังหรือตั้งความหวังในการดูแลหลวงพ่อเนี่ยก็เยอะคนที่หนักคือพระอาจารย์นโน้ตที่เป็นคนเหมือนเป็นศูนย์กลางที่คอยประสานกับคุณหมอทั้งหมดเนี่ยแล้ก็จะมีกลุ่มลายกลุ่มหนึ่งนะที่เขาตั้งท่านตั้งขึ้นมาแล้วก็เวลามีอะไรเกิดขึ้นเราก็จะอาจจะถ่ายรูปหรือเขียนรายงานเขียนเล่าไปแล้วก็ทุกคนคุณหมอทุกท่านก็จะช่วยกันดีมากนะในการที่จะให้ข้อมูลหรือว่าให้ความเห็น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 และหลายๆครั้งก็จะมีโยมที่มาแล้วก็ด้วยความหวังดีก็จะอันนี้ดีมากเลยนะอาจารย์ต้องใช้นะต้องใช้เดี๋ยวนี้นะต้องใช้ต้องใช้เป็นอย่างแรกเป็นอย่างที่สําคัญที่สุดอะไรเงี้ยซึ่งโยมก็ต้องเข้าใจด้วยว่ามันมีอย่างเงี้ยเป็นสิบนะแล้วก็คนที่ประสานตรงเนี้ยเชื่อไหมว่าอาจารธามากๆนะอาจารย์ตุ้มนะอาจารย์โน้ตในการทําตรงนี้เพราะมันไม่ใช่งานง่ายเลยและท่านก็ไม่เคยที่จะทําให้คนมารู้สึกว่า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 ให้กลุ่มคนที่ดูแลก็ก็กังวลก็มีนะในบางครั้งนะน้อยมากนะแต่คนดูแลกังวลส่วนใหญ่แล้วจะเป็นคนอื่นอาจารย์โน้อาจารย์าารยตุ้มเท่าที่อาจจะมาดูไม่เคยเคยกังวลอย่างว่าอาจารย์โน้ตก็จะธรรมดาเพราะฉะนั้นก็บางทีเล่าสู่กันฟังกใ็ให้ได้รู้ว่าจริงๆแล้วการดูแลหลวงพ่อเนี่ยมีคนจำนวนมากที่ดูแลหลวงพ่อ มีคนไม่กี่คนที่อาจจะเราจะเห็นบ่อยๆแต่ว่าจริงๆแล้วมีคนอีกจำนวนมากเลยที่ที่ลงแรงมาช่วยตรงนี้แล้วก็อาดมาก็เชื่อว่าทุกคนก็ได้รับสิ่งที่ดีที่สุดในชีวิตสิ่งหนึ่งนะกลับไปจากการดูแลท่านมีคนชอบถามอาตามาว่าอยู่ใกล้ๆหลวงพ่อแล้วได้อะไรบ้างอาดมาโดยส่วนตัวแล้ว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 รู้แล้วพร้อมจะพาเราไปถ้าเกิดว่าเราต้องการความช่วยเหลือเนี่ยและให้กำลังใจเวลาเราท้อแท้อะไ น, นะเราจะรู้สึกว่านี่คือคนที่มีคุณค่าที่เราควรจะได้พบและทุกคนน่าจะมีโอกาสได้พบนะหลายคนก็มีโอกาสได้พบท่านนะเพราะฉะนั้นก็ไม่ใช่ความรักนะที่ควรจะเก็บไว้อะ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 ก็ความศรัทธาต่อหลวงพ่อจะเป็นศรัทธาแบบหนึ่งนะศรัทธาว่าท่านคงเป็นพระอริยะท่านคงจะมีบุญคุณต่อโลกท่านคงจะกราบท่านแล้วโลกคงจะได้บุญอะไรอยงนี้แต่ว่าพอคนปฏิบัติไปพักนึงแล้วเราจะรู้ว่าท่านเป็นผู้แนะนําแต่ส้าเราอาจจะมาหรือว่าคนไม่ใช่ว่าจะมาปฏิบัติได้ไกลนะแต่ว่าไปสักพักนึงอาจมารู้สึกว่าสำหรับอาจมาแล้วท่านกลายเป็น ผู้ที่ยืนยันให้อาตมาเชื่อจริงๆได้ว่าว่าคำพูดที่ท่านพูดอ่ะท่านเป็นจริงๆคำพูดอมตะามากเลยนะไม่เป็นอะไรกับอะไรเนี่ยนี่อย่างที่บอกอะไรๆเกิดขึ้นกับท่านเยอะมากแล้วก็ไม่ใช่ว่าท่านไม่เจ็บนะแต่ท่านไม่ทุกข์แล้วก็ไม่ใช่ว่าท่านท่านพอใจหรือไม่พอใจนะแต่ท่านรับได้ไม่ว่าใครจะทำอะไร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 และครั้งนั้นก็เป็นครั้งที่วิกฤตมากพอสมควรประมาณสามนาทีได้มั้งแต่พอทางมันทางหายใจมันเปิดท่านก็กลับมาหายใจครั้งและท่านก็เป็นปกติมากท่านไม่มีอาการที่รู้สึกว่านี่คือคนที่เพิ่งเฉียดความตายอะไรมาเลยท่านเหมือนสลบไปประมาณสามนาทีนะจนปากเริ่มม่วงนะครั้งนั้นนะแล้วพอท่านฟื้นมาท่านเขียนหาเขียนเล่าให้โยมหมูฟังแบอบกว่าไปเที่ยวภูฐานมา